บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการปฏิบัติตามหลักของอนาปานสติที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นเมื่อกล่าวถึงจุดสุดท้ายของการประพฤติปฏิบัติก็จะสรุปลงที่หลัก ของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการนั่นเองท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสัสรุและทรงแสดงไว้นั้นที่เรากล่าวเอาเป็นสามฝ่ายด้วยกันคือเป็นกุศลและเกี่ยวฝ่ายดีอกุศลฝ่ายไม่ดีและกลางกลางคือไม่ดีไม่ชั่วโดวยตัวของมันเองนั่นทั่นก็สรุปลงที่หลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ ละอริยศาสตร์ทั้งสประการจึงครอบคลุมเนื้อหาของธรรมะทั้งสประเภทนั้นเอาไว้อานาปานสติภาวนาหรื อ, อนาปานสติกรรมฐานที่บุคคลปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสรุปลงในอริยศาสตร์ทั้งสคือการที่ตั้งสติกำหนดระลึกจูที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นทุกข์สัตย์ ทำไมจึงเรียกว่าเป็นทุกขษัตริย์ทุกษัตริย์ก็คือความจริงที่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยเงื่อนไขของธรรมชาติไม่มีใครเป็นผู้สร้างและดลบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแต่เมื่อมีกฎเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ปรากฏการณ์เหล่านั้นก็เกิดขึ้นนั้นความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นที่ทรงสรุปรวมเรียกว่า เป็นสภาพวุตถุคือทุกตามสภาพจึงเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติพวกเหล่านี้ท่านจัดเข้าในกลุ่มของธรรมะที่เรียกว่าปริญญาตประธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เอาไว้เท่านั้นลมหายใจเข้าออกก็เกิดขึ้นจากกฎหรือเหตุปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติเช่นเดียวกับอย่างอื่นและปัจจัยหลัก ที่ก่อให้เกิดเป็นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็คือมีช่องจมูกมีเจตนาแล้วก็มีลมที่ไหลผ่านเข้าไปผ่านเข้าและผ่านออกซึ่งถ้าหากว่าปัจจัยทั้ง3ประการนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องไปความเป็นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็หมดสิน้นแต่การที่บุคคลจะพิจารณาให้เห็นตามหลักของทุกขสัต้ น, น ก็ต้องมองลมหายใจเข้าออกที่ผ่านการกำหนดระลึกรู้และกรรการกำหนดพินิจ พ, พ, พ, พิจารณามาแล้ว <c oughs> โดยลำดับ <c oughs> คือมองเห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่กำหนดระลึกจุ่นี้แท้จริงแล้วก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกแม้ลมหายใจที่ปลนปลื้ชีวิตบุคคลอื่นสัตว์อืน่น ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูหรือเป็นกลางๆ ก, กับเราก็ตามก็เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยเช่นเดียวกันและมองดูถึงการตั้งอยู่ของลมหายใจเข้าออกว่าไม่สามารถที่จะคงสภาพเดิมของลมหายใจเข้าออกนั้นไว้ได้บางครั้งบางคราวก็แรงบางครั้งบางคราวก็อ่อนบางครั้งก็สั้นบางครั้งก็ยาวหรือบางครั้ง เมื่อปฏิบัติไปลมหายใจก็สงบไปเลยก็มีมีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรักษาสภาพเดิมของลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเอาไว้ไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งบางคราวก็ถึงกับการแตกทําลายแห่งชีวิตอย่างที่ทราบกันเพราะการปรนเปรือ่องลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เอง ก็ให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นด้วยประการต่างๆแม้พูดประเด็นลมเพียงอย่างเดียวซึ่งมีความวิปริตแปรปรวนไปจนอาจจะมากเกินไปก็สร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นน้อยเกินไปก็สร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นจึงต้องอยู่ในระดับที่เป็นท่ามกลางอยู่เสมอเมื่อหายใจเข้าและหลายใจออกก็จะทำหน้าที่แผดเผาสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นขระนวนการของความทุกข์ทั้งหมดมองให้เห็นถึงความบีบคั้นความทุกข์และโทษที่เกิดขึ้นจากการมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่เป็นการมองในรูปของการเจริญวิปัสสนาเพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นประจักษ์เพียนพยายามที่จะสลายความเกาะกลุมของสิ่งต่างๆเรล่ันั้นประการเกาะกลุมของเหตุของปัจจัยนั่นเองที่มีการกาหนด เป็นหน้าปรารถนากับไม่หน้าปรารถนาซึ่งแต่ละไฟายก็ก่อให้เกิดกิเลสอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าต้าหน้าปรารถนาก็เป็นอภิชาถ้าไม่หน้าปรารถนาก็เป็นโทมนัตส่วนมากแล้วก็จะหมุนบนอยู่ในแนวนี้นี้ก็คือเรื่องของทุกขะสัตย์เด็กตานาที่เกิดขึ้นก่อนความสงบระงับแห่งลมหายใจเข้าออกจนถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติ ได้บรรลุรูปฌานเป็นที่สุดนั่นนั่นก็คือตัวของสมุทยัยนั่นจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวตัวตัณหาเองที่ไม่รุนแรงแก่กล้าจนเกิดไปก็เป็นธรรมตัณหาคือความยินดีความทยานอยากในกุศลธรรมทั้งหลายความพอใจที่จะตั้งสติกําหนดระลึกจู่ที่ลมหายใจเข้าออก ตลอดถึงตันหาที่มีอยู่ก่อนนั้นและตันหาที่สงบระงับไปก็เป็นตัวสมุทัยสัตว์ซึ่งผู้ปฏิบัติก็อาจจะมองพิจารณาเทียบเคียงในแง่ของสภาพจิตที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆอย่างในกรณีของจิตที่สปัดความสงบก็จะมีแรงดันขึ้นมาภายในจิตต้องการความสงบที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ระนี่ขึ้นไปกว่านั้นเรล่านี้ก็เป็นอาการของตันหาอย่างอ่อนซึ่งตามปกติแล้วท่านมักจะเรียกว่าเป็นฉันทะคือความพอใจแต่ถ้าจริงก็เป็นอาการของตันหาอย่างหนึ่งนั่นเองแต่มันอ่อนลงเพราะกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทที่ถ้าไม่รุนแรงเกินไปบุปคคลก็กำหนดทิศทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ ก็มีลักษณะผลักดันให้ก้าวรุดไปข้างหน้าดังนั้นพระนรเทระจึงได้กล่าวว่าตันห์นิสายะตัณหะปะหะตปาบุคคลพึงอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาซึ่งก็หมายความว่าตัณหาจะมีลักษณะเป็นแรงดันแรงส่งที่สืบต่อกันไปแต่พอถึงจุดหนึ่งก็ต้องสลัดทิ้งออก ถ้ามองดูให้เห็นเป็นเชิงรูปธรรมคล้ายๆกับจรวดที่ยิงดาวเทียมออกไปสู่พุ่งอวกาศซึ่งอาจจะยิงกันตั้งหลายลูกสองลูกสามลูกถึงสี่ลูกแต่เมื่อดาวเทียมเข้าสู่สุญญากาศแล้วจรวดเหล่านั้นก็ตกดาวเทียมก็ลอยออกไปอยู่ในพวง่งสุญญากาศจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในการปฏิบัติจะจําเป็นจะต้องอาศัยแรงผลักดันของพวกนี้เป็นเครื่องส่ง ซึ่งบางครั้งทรงอุปมาเหมือนกับพุ่งแพร่เมื่อนยานพาณะสาหรับเดินไปสู่สถานที่ต่างๆหรือเหมือนเรือสำหรับข้ามฝากเป็นต้นซึ่งหมายความว่าช่วงหนึ่งก็ต้องอาศัยขาแต่ว่าช่วงหนึ่งก็ต้องชิ้งเขาเมื่อเสร็จภาระในการสแสวงหาแล้วตถาหาจึงมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นโปโนพวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปและจิตใจของบุคคลก็จะ กำนัดจะเพลิดเพลินจะยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งธรรมะที่ได้อธิบายมาแล้วก็มีอยู่หลายครั้งหลายคราวที่บอกว่าในชั้นของการปฏิบัติสิ่งที่ทำทำให้บุคคลเพลิดเพลินกำนัดยินดีมากนั้นระดับของสมาธิก็คือสุขกับปิติซึ่งเป็นอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจของบุคคลทั้งหลาย บางครั้งก็เพลิดเพลินด้วยกําลังของปีติคือความเออิ่มใจที่มีความสงบเป็นฐานอยู่ภายในอยู่เป็นเวลานานและบางครั้งก็จะติดอยู่ในสุขที่มีความสงบเป็นอย่างยิ่งปรากฏอยู่ภายในจิตของบุคคลจนทําให้ผู้ปฏิบัติบางท่านไปติดหรือเรียกว่าไปเล่นฌานอยู่และแม้การปฏิบัติระดับที่จเจริญขึ้นไปจนผ่านความสงสัยไปได้ คือไม่มีความสงสัยในพระรัตรัยเป็นต้นแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินความยินดีอยู่เป็นนันมากที่นั้นก็คือตัวสมุทัยสัตว์ในลักษณะหนึ่งอาจจะมีปีติความเอิบอิ่มใจมีอธิมโมก ค, ความน้อมใจเชื่อลงไปมีสุขมีความเพลิดเพลินเป็ น, นปต้นแสดงว่าบนเส้นทางที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นก็ยังล่าตันหาไม่ขาดโดยสิ้นเชิง แล้วก็มีความเจือจางปรากฏอยู่บนเส้นทางเหล่านั้นจนกว่าจะดับได้โดยเด็ดขาดดังนั้นในชั้นนี้จึงกลายเป็นสมุทัยสัตว์จึงมีปัญหาที่ผู้ปฏิบัติจะต้องกาหนด ล, ลักษณะอย่างหนึ่งที่ว่าเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นการปฏิบัติสมถกรรมาฐานทั้งบางครั้งใจเข้าอย่างลงสู่ความสงบ แล้วก็ติดอยู่ที่ความสงบเป็นเวลานานๆอาจจะเป็นปีหรือหลายปีก็ได้อาจจะติดอยู่ที่ตัวสมาธิที่องฌานแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นลักษณะของสมุทายสัตว์เช่นเดียวกันในชั้นนี้จำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเข้าพินิษพิจารณาให้ประจักว่าอะไรกันแน่เพราะการปฏิบัติในระดับนี้ที่จริงท่านในสมัยก่อนพุทธกาล ก็เคยปฏิบัติเคยประสบมาด้วยตัวเองแล้วท่านก็ติดโดยเข้าใจว่านั่นคือที่สุดแห่งทุกข์แล้วโดยไม่ยอมขยับเขยื่อนไปในที่ใดเพราะประสบการณ์แปลกแปกไปใหม่ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านนั้นเป็นของที่ในชีวิตประจําวันท่านไม่เคยสัมผัสนอกจากเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติบาเพ็ญเพียรทางจิตใจของท่านเองตัวนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในกลุ่มของสมุทัยสัตว์ ส่วนจะเข้มข้นหรือเจอจางนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับของจิตและระดับของสมาธิที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลการที่ใจไม่ไปจิตในทุกขัสสะและความสงบระ ง, งับไปแห่งสมุทัยสัตว์คือบรรดากิเลสทั้งหลายซึ่งอาจจะเป็นความสงบในระดับของสมาธิก็ได้ หรือเป็นความสงบที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้อย่างในชั้นของสมาธิที่เข้าถึงระดับองค์ชานแม้แต่ระดับแรกกิเลสก็จะไม่ปรากฏภายในจิตใจของบุคคลซึ่งหมายความว่าไม่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจมีอยู่ในลักษณะที่เป็นตะกรอยู่ก้นภาชนะนี่ก็เป็นความสงบระ ง, งับในระดับหนึ่งดังนั้นการที่จิตไม่ไปยึดติด ในสิ่งที่เป็นทุกขษัตริย์ต่างๆหรือพวกธรรมชาติต่างๆและความสงบปลายแห่งตัณหาในระดับใดระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นนิโรธสัตย์ส่วนหนึ่งแต่การที่จะเข้าถึงนิโรธโดยสมบูรณ์นั้นก็อย่างที่เคยแสดงไปแล้วว่าจิตของบุคคลจะต้องสละตัณหานั้นโดยเด็ดขาดคือไม่มีตัณหาอยู่ภายในจิตใจเลยเป็นการละได้จริงๆเป็นการ ถ่ายถอนตัณหาออกไปจะจิตใจได้จริงๆและจิตใจก็หลุดพ้นจากกำหนาจของตัณหานั้นแม้จะเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูเป็นต้นซึ่งใจเคยกำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน่ายินดีหรือกำหนดในทํานองตรงกันข้ามก็จะไม่มีการกำหนดในลักษณะนั้นเป็นความหลุดพ้นที่เด็ดขาดไปเลยโดยไม่มีความเยื่อใจความอะไรในสิ่งที่ได้สละละทิ้งไปแล้ว นั่นคือความสมบูรณ์แห่งนิโรธสัตว์แต่ในขณะเดียวกันความสงบระงับความดับความถ่ายถอนบรรดากิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดก็ชื่อว่ายังอยู่ในข่ายของนิโรธสัตว์จึงอาจจะเป็นหนึ่งในหลายร้อยล้านในหลายล้านหรืหลายแสนก็ต่าเจะจำนองในการประพฤติปฏิบัติโดยมีนิโรธสัตว์เป็นอารมณ์ คือมุ่งมั่นที่จะกระทาพระนิพพานให้แจ่มแจ้งอย่างเจตจำนงแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายเราถือว่าเป็นมรรคสัจจ์งในการประพฤติปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วสีและสิกขาในขณะนั้นก็สมบูรณ์คือในขณะที่นั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ก็สมบูรณ์ เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นบุคคลได้ชำระศีลของตนอาจจะด้วยการสมาทานด้วยการอธิษฐานหรืออาจจะด้วยการแสดงอาบัติก็ตามตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลดบบนั้นเป็นนั้นว่าในขณะนั้นองค์มรรคสามประการคือสัมมาวาจาการเจรจาชอบก็เข้าถึงความสมบูรณ์เพราะที่จริงก็สงบวาจาได้ทั้งไป สมากรมารตะคือการงานชอบได้แ ก, ก่กุศลเจตนาที่เกิดขึ้นงดเว้นจากการประพฤติผิดที่เกี่ยวกับร่างกายทรัพย์สินประเวณีของบุคคลอื่นก็สมบูรณ์ในขณะนั้นเรื่องของอาชีพต่างๆที่จะเป็นไม่ฉาชีพก็สงบระงับไปกลายเป็นสมาชีพเพราะงั้นองค์มรรคสามองค์จึงเกิดขึ้นสมบูรณ์ในขณะนั้นในขณะที่ปฏิบัติไปปฏิบัติไป องค์มรรคในส่วนที่เป็นจิตสิกขาหรือส่วนของสมาธิซึ่งบุคคลได้อาศัยความเพียรพยายามในการสำรวมระวังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนไม่เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาได้เพียรพยายามที่จะละที่จะขัดเกลาที่จะบรรเทาความรุนแรงของอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจ ร้อมกับการเพียรเสริมสร้างกุศลความดีต่างๆที่เกิดที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโดยการปลุกฝังความพอใจในกุศลธรรมเหล่านั้นใช้ความพยายามมีการกระทําโดยจิตต่อความดีที่ทําได้แล้วจะมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามเขาพยายามรักษาเอาไว้นี่ก็ถือว่าเป็นสัมมาวายามะคือความพยายามชอบส่วนจะเข้าถึงในจุดใด น, นั้น ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนแห่งการปฏิบัติต่งางแต่วันในขณะนั้น mm. เมื่อจิตโดยเฉพาะคือสติแนบอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจเข้าออก mm. ก็ชื่อว่าเป็นสมาวายามะคือความพยายามชอบตัวสติที่ตั้งสติระลึกอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ข้อไหนก็ได้อาจจะเป็นนาปาณสติซึ่งเป็นกลุ่มของกายานุปัสนาสติปทาน เลือดดูที่เวทนาที่จิตที่ธรรมข้อใดก็ตามในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาสติคือความระลึกชอบแต่ถ้าหากว่าการปฏิบัติจนสามารถพิจารณาดูกายในกายทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกดูความเกิดขึ้นดูความเสื่อมปลอยดูความดับไปจนสภาพจิตของบุคคลมีความรู้สึกว่ากายนั้นมีอยู่ เจ้าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาพวกเราพวกเขาเป็นต้นไม่มีอยู่เป็นแต่เพียงการเกาะกลุ่มของเหตุปัจจัยต่างๆเท่านั้นความมีเรามีของเรามีพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ยังไม่มาถึงหรือแม้แต่เรื่องของปัจจุบันก็ตามชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของความสมมตุติอีกชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องหน้าก้องตันหาบ้าง ด้วยอำนาจของมา n a บ้างด้วยอํานาจของทิฏฐิบ้างแต่ยึดถือด้วยอํานาจของตานหาก็ว่าของเราของเราใครมีตานหามากมีของเรามากความยึดความถือก็มากยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ยึดถือด้วยอํานาจของมานะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็กลายเป็นเรื่องของทิฏฐิไปแต่้ใจเกิดเห็นประจักษ์ชัดจากจุดใดจุดหนึ่งของอารมณ์ที่ทรงสอนให้พินิษฐ์พิจารณา ไม่ว่าจะมีหลากหลายอย่างไงก็ตามอารมณ์นั้นก็คือรูปกฎนามดังกล่าวแล้วขอเห็นไปจากชัดเพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเองก็จะกลายเป็นความรู้เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราและไม่ใช่ตัวใช้ตนของเรานี่ก็เป็นสมาสติจิตใจที่มีความสงบคืบคลานไปโดยลําดับ ในขณะเดียวกันก็ทําการสงบหรืองับบรรดานิ r v a t a r ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นกรุ่มรวมจิตใจของตนให้สงบหรืองับลงไปหรือระดับลงไปจะนานหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นสมาสมาธิในชั้นนั้นๆแต่ว่าสมาสมาธิที่เรียกว่าสมบูรณ์จริงๆก็จะต้องอยู่ในจุดที่สงบน i r v o r n ได้ เพราะจุดมุ่งหมายของสมถกรรมฐานนั้นอยู่ที่การสงบระงับนิวรณ์ถ้านิวรณ์ยังไม่สงบระงับก็ยังไม่ถือว่าเข้าถึงสม า, สมาธิที่สมบูรณ์แต่ว่าชั้นของสมาธิมีหลายชั้นดังกล่าวเมื่อจิตใจสงบสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกโดยไม่พลาดไปจากลมหายใจเข้าหายใจออกคือไม่ฟุ้งซ่านไม่สั้สาย แม้เพียงชั่วขณะใ ด, ดขณะหนึ่งก็ถือว่าเป็นสมาธิอย่างอ่อน อ, อนแนละซึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นภายในจิตโดยลำดำับและสายความสงบเหล่านี้เองก็ก่อให้เกิดเป็นความคิดความเห็นที่ยุติ ด, ด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักของความเป็นจริงซึ่งความเห็นในทำนองนี้ดูแล้วคล้ายๆจะง่ายแต่ว่าได้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วเห็นได้ยาก เพราะอะไรเพราะความเหนียวความหนืดของบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจก็จะมีความขัดแยง้งมีความโต้ตอบมาในลักษณะหนึ่งอยู่เสมอและพยายามกลุบเกลือนสิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาติธรรมดาด้วยประการต่างๆแล้วขึ้นอยู่กับความปรุงของกิเลสที่ปรากฏในขณะนั้นๆแต่เมื่อบุคคลได้ผ่านขั้นตอนมาโดยลาดับแล้ว สมาสีนสมาธิก็จะทำหน้าที่สนับสนุนก่อให้เกิดปัญญามีการพิจิต พ, พิจารณาเห็นถึงความจริงแห่งกรรมคุณทั้งหลายคือวัตถุที่เป็นตัวแปรอย่างสำคัญในชีวิตของคนจึงก็ไม่มีอะไรอื่นไปจากวัตถุทั้งหกประการคือรูปเสียงกลิน่นรสผุถะและธรรมารมเพราะโลกเราเป็นโลกแห่งสัมผัส สิ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสและปัจจัยให้เกิดกุศลก็คือเรื่องสัมผัสเหล่านั้นก็นี้เพิ่งเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอริยสัจในส่วนของสมุทัยและส่วนของนิโรธโดยพิสดานนั้นก็ทรงแสดงเหตุเกิดของทุกข์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสผุ้ตภะธรรมรมเป็นต้นไปขบวนการนี้เวลดับก็ทรงแสดงดับทรงนี้นี่เอง ซึ่งหมายความว่าไฟเกิดขึ้นในที่ใดก็ต้องดับในที่นั้นความร้อนปรากฏในที่ใดความเย็นก็ต้องปรากฏในที่นั้นแต่เนื่องจากสิ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่มีลักษณะร่วมกันเมื่อสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งก็หายไปแต่ถ้าต้องการให้อีกสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นก็ต้องดับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มกิเลส ซ, ซึ่งเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนและความทุกข์มีประการต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่สายความยึดถือเป็นต้นต่างๆแล้วการดับก็ดับที่ใจไม่ใช่ไปสแสวงหาในที่อื่นไม่ได้อยู่ที่นอกตลกอยู่ที่ตัวของบุคคลนี้เองดังนั้นเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาพิจารณาเห็นใจก็เริ่มจะถ่ายถอนพวกกิเลสสายโลภะ จะถ่ายถอนกิเลสสายโทสะจะถ่ายถอนกิเลสสายโมหะให้บรรทออปปองลงไปเึียงว่ากันตามความเป็นจริงถ้าผ่านชั้นของสมาธิแก่ก็สงบไปมากแล้วเนื่องจากไม่ขึ้นสู่จิตคือไม่ทําความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่จิตใจแต่ปัญญาที่แหลมคมย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ขาดไปจากจิตใจโดยตรงความดำริในทางที่ชอบก็จะบังเกิดขึ้นทําหน้าที่ประหาร ทำหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบจนถึงกะตัดหรือประหารบรรดากิเลสเหล่านั้นออกไปยานคือความรู้ในอริยสัจทั้งสีประการก็ปรากฏบางเกิดขึ้นนั่นก็คือความสมบูรณ์ของสัมมาสังฑกะปะและสมมมาทิฏฐิเพราะอะไรพระสมมมาทิฏฐิในชั้นที่เป็นผลของการปฏิบัติหรือพูดง่ายๆว่าสมาทิฏฐิในองค์มครร ท่านหมายถึงการรู้อริยสัจทั้งสี่ประการแต่จะต้องเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นด้วยการปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนของศีลของสมาธิมาจนถึงปัญญาตามลา ด, ำดำับในขณะเดียวกันก็หมายความว่าศีลก็มีความสมบูรณ์ขึ้นสมาธิก็สมบูรณ์ขึ้นปัญญาก็สมบูรณ์ขึ้นขั้นตอนแห่งผลที่ทรงแสดงเอาไว้ในชั้นของสามั ญ, ญชนทั่วไป ก็ทำได้แค่สงบนิวรณ์จึงก็หมายความว่านิวรณ์ไม่เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจในขณะนั้นแต่ในชั้นของพระเรียเจ้าแล้วพระโสดากับพระสกีทากานั้นศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณจึงก็หมายความว่าอีกสองอย่างยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นพระโสดาบันจึงเศร้าโศกในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกได้ เวลาเกินพาดจากญาติพี่น้องตายเป็นต้นท่านก็ร้องไห้เสียใจได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะฉั้นนี้จะต้องอาศัยกําลังของสมาธิที่สงบอะไรสงบกามฉันได้แต่ว่าพระโสดาบันนั้นยังละกามฉันไม่ได้คือกิเลสสายโลภะยังละไม่ขาดเพราะฉะนั้นวัตถุใดที่เป็นที่ตั้งแห่งความอาลายัยความผงวยายความคล่ายความปรารถนา ถ้าเกิดศูนย์หายไปแตกทำลายไปก็มีการเศร้าสุขเสียใจเหมือนกันแต่ตัวเนื่องจากสติของท่านมีกำลังดีกว่าได้สำนึกได้สติอะไรเพียงเล็กเล็กน้อยท่านก็ตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจได้จันพระนาคามีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่พอถึงชั้น ที่4คือวงที่สีได้แก่พระอระหรันต์แล้วก็สมบูรณ์หมดด้วยประการทั้งปวงซึ่งก็หมายความว่าระดับญาณคือความรู้ที่เกิดผุดขึ้นนั้นจุดที่สมบูรณ์จริงๆก็คือจุดของพระอระหันต์แต่ว่าแต่ละท่านนั้นจะต้องผ่านอริยสัจสีทั้งหมดเลยส่วนจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์มรรคที่ท่านปฏิบัติได้มีลักษณะ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามองค์มรรคจึงมีลักษณะเหมือนแสงสว่างซึ่งเมื่อบุคคลจุดขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงสว่างว่ามากหรือน้อยถ้ามีปริมาณมากก็ขจัดความมืดได้มากน้อยก็ขจัดความมืดได้น้อยญาณคือความรู้หรือปัญญาความรอบรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจของท่านก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้ามากก็ขจัดกิเลสได้มากถ้าน้อยก็ขจัดกิเลสได้น้อยแต่ที่แน่นอนที่สุดคือขจัดได้ ถ้าเป็นระดับยานปัญญาความรู้ในชั้นนี้ท่านจึงจัดเป็นสามขั้นตอนซึ่งก็มีความเข้มข้นแตกต่างกันดังกล่าวแล้วชั้นแรกจะเรียกว่าสัจจ ร, รานคือรู้อริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงเช่นรู้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นทุกข์รู้ว่าตัณหาที่เกิดขึ้นก่อนการสงบระงับก็เป็นสมุทยัยการที่ ใจไม่ไปเกี่ยวเกาะอยู่ในคนในสัตว์ในสิ่งของต่างๆและในอารมณ์ต่างๆและความสงบระ ง, งับปลายแห่งตันหาก็เป็นนิโรธจิตใจของบุคคลที่มุง่งเอานิโรธสัตว์เป็นอารมณ์คือการปฏิบัติที่มุง่งพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นก็เป็นมักสัตว์แล้วก็รูก สัจจะคือความจริงสัจญาณคือรู้ความจริงในริยสัตย์แต่ละข้อนั้นในชั้นแรกก็รู้ธรรมดารู้เป็นการเกาะกลุ่มกันเท่านั้นรู้นั่นคือทุกข์นั่นคือสมุ ท, ทยัยนั่นคือนิโรดนั่นคือมรรคในชั้นที่สองรู้แบบแยกได้โดยเด็ดขาดว่าทุกข์นั้นต้องกําหนดรู้ไว้สมุทัยนั้นต้องละนิโรธต้องทําให้แจ้งและมรรคควรเจริญ ซึ่งว่าที่จริงยานทั้งสองประการนี้มีทั้งระดับที่เป็นปริยัติและเป็นผลของการปฏิบัติแต่ถ้าระดับปริยัติก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากอธิบายได้ส่วนถ้าเป็นผลของการปฏิบัติแล้วก็จะมีผลต่อจิตใจคือจะทําลายกิเลสต่างๆที่เกี่ยวเกาะอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นให้สงบระงับลงไป ยานที่จะทำหน้าที่ให้ตัดได้ขาดลงไปนั้นท่านเรียกว่ากัดตะยานจึงเกิดผุดขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วมักควรเจริญได้เจริญแล้วสําหรับในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าลมหายใจเข้าออกที่ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วตัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้ละไปแล้ว ขณะนี้จิตใจของตนก็สงบระงับจากตันหาเหล่านั้นแล้วมักมีองค์แปดประการซึ่งจะต้องประพฤติกระทำให้สมบูรณ์ก็ได้ประพฤติกระทำให้สมบูรณ์แล้วบางครั้งบางคราวพระผุ้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสดแสดงโดยสรุปว่าอนาปานสติสมาธินี้แหละที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมทาสติปัฏฐานทั้งสี่ประการให้บังเกิดขึ้น สติปัฏฐานทั้งสประการที่บุคคลกระทําให้มางแล้วย่อมทําโพุทธชงทั้ง7ประการให้บังเกิดขึ้นในพุทธชงทั้งเจประการที่บุคคลอบรมกระทําให้มากแล้วก็ย่อมทําวิชาคือความรู้และวิมุติคือจิตที่หลุดพ้นจากอานาจของกิเลสคือหลุดพ้นจากความไม่รู้ทั้งหลายนั้นก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นเรื่องของขนทางที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติ เข้าไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันนั่นเองต่อแต่นี้ไปข็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป